เมื่อสักครู่เราได้สาธยายอ น, นัอนตตนอนัตตะขนสูตรความหมายเราก็ทราบดีแล้วนะเพราะว่าสวนแปลเมื่อสวดแล้วก็ควรจะนำมาใช้กับตัวเองใช้ตั้งแต่ตอนนี้เลย ต, ตอนนี้หลายคนรู้สึกหนาว อาจจะไม่เคยเจอความหนาวแบบนี้มาก่อนก็ให้ลองพิจารณาดูนะว่าเราสั่งได้ไหมร่างกายนี้อย่าหนาวมันก็สั่งไม่ได้จะบอกทุกขเวทนาที่เกิดจากความหนาวว่าอย่ามีเล ย, เยให้ไปไก ล, ไกลยอย่ามารบ ก, กวนฉันเลยเราก็สั่งมันไม่ได้ ส่วนจิตที่ปรุงแต่งอาจจะปรุงแต่งคือรู้สึกทนไม่ได้เกิดความไม่พอใจบนพื้นพ ร, รมตีโพยตีพายเพราะอากาศมันหนาวทำไมมันมาหนาวตอนนี้ตอนไม่มาไม่หนาวพอมาแล้วลมเย็นลมหนาวกลับมาบ่นอย่างนี้เรือ่อ ปรุงแต่งปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าสังขารหรือว่าจิตสังขารไอ้ความปรุงแต่งแบบนี้ก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าจิตมันก็เป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกันเมื่อ มีความหนาวแบบนี้แล้วนี่ก็อย่าให้หนาว ฟ, ฟรีนะเอามาใช้ให้เห็นธรรมะที่แสดงแก่เรานะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากก็คือเรื่องอนัตตาอนัตตลัคนะเนี่ยหรือว่าลักษณะของความเป็นอนัตตานี้มันแสดงตัวให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาธรรมะที่ลึกซึ้งนะมันไม่ใช่ว่ามันหลบซ่อน อยู่ในส่วนลึกมุมลึกทีจริงมันแสดงตัวให้เห็นอย่างโจมแจ้งตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือว่ามองเป็นหรือเปล่านะอากาศหนาวนาวแบบนี้ก็ถือว่านะมันมีประโยชน์นะมันช่วยทำให้เราได้เห็นธรรมอย่างน้อยก็สามอย่างนะก็คือว่ารูปนี้เป็นอนัตตา เวทนาไปนอนัตตาสังขารไปนอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะได้รูปตามใจหวังได้เวทนาตามใจหวังหรือว่าได้สังขารตามใจหวังได้อยากจะให้รูปไม่หนาวก็สั่งไม่ได้อยากจะให้ความทุกข์ไม่มารบ ก, กวนก็ทำไม่ได้ อยากจะให้อยากจะสั่งให้จิตปรุงเลิกปรุงแต่งหยุดบนอยู่หยุดพึมพำตีพยตีพายก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ในที่หมายา็สั่งไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จ ะ, ะสร้างเหตุสร้างปัจจัยหรือว่าทําเหตุทําปัจจัยเพื่อทําให้เกิดความเปลีป่ยนแปลงขึ้นมาได้ จนเวลารูปป่วยขึ้นมาร่างกายไม่สบายเราสั่งไม่ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูแลกินอาหารถูกต้องกินยาที่ถูกต้องมันก็หายได้ทุกขเวทนาก็เช่นเดียวกันสั่งให้มันหายไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราหมผ้าให้มากขึ้นมันก็หายหนาวหรือวไป อ่าองกองไฟก็อุ่นขึ้นมาจนบางทีอาจจะร้อนแทนที่จิตสังขารหรือความปรุงแต่งเราสั่งมันไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อให้มันหายไปได้เช่นมีสติรู้ทัน เ, เคยมีคนถามหลวงปู่ดุลว่าทำยังไงจะตัดความโกรธได้หลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดความโกรธได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเราสั่งความโกรธไม่ได้นะสั่งความโกรธว่าให้หยุดนะสั่งไม่ได้กดคมมันยังทําไม่ได้เลยแต่ว่า เราสามารถที่จะสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อทําให้มันหายไปได้คือมีสติมีความรู้ตัวนี่คือผลที่เรานะมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อเราจะได้มีรู้จักการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อทําให้ความทุกข์มันบันเทาหรือว่ามาลายหายไปและการปฏิบัติธรรมก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้แหละนะไม่ใช่ตอนที่เรา เข้าทางเดินจงกรมหรือตอนที่เรานั่งสร้างจังหวะอากาศหนาวๆอย่างนี้แหละนะมันเป็นโอกาสที่เราได้ปฏิบัติทาเวลาอากาศหนาวนี่นะร่างกายมันก็พลอยหนาวไปด้วยแต่ว่าขอให้ฝึกนะรู้จักฝึกใจว่าให้มันหนาวแต่กายนะแต่ว่าใจไม่หนาวสังเกตไหมตอนที่เวลาอากาศหนาวๆนะกายมันหนาวไปด้วย ใจมันก็อดไม่ได้นะที่จะบ่นพึมพำตีโพยตีพายหรือว่าไม่พอใจกับความหนาวแล้วก็ไปสำคัญบั่นหมายว่านะกูหนาวกูหนาวเมื่อมีความสำคัญบัรทหมายเช่นนี้เนี่ยใจมันก็หนาวไปด้วยกายมันไม่ได้ทุกอย่างเดียวใจก็ทุกไปด้วยรียกว่าหนาวทั้งกายหนาวทั้งใจอันจากคนที่ฉลาดคนที่ มีปัญญาหรือว่าได้ฝึกมาเขาก็จะให้หนาวเนี่ยมันเกิดกับกายแต่ไม่ลามไปถึงใจคือหนาวกายแต่ไม่หนาวใจหนาวก็หนาวอย่างเดียวนะอย่าไปนหนาวสองอย่างหลายคนก็บอกก็รู้อยู่แล้วว่าหนาวอย่างเดียวมันดีกว่าหนาวสองอย่างแต่มันห้ามใจให้หยุดหนาวไม่ได้นั่นแหละถูกแล้วเพราะว่า ใจไปอนัตตาแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาสติมาใช้เมื่อใจมันบน่บนพึมพำตีโพตีพายผักใสเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ให้มีสติรู้ทันจะ mm hmm. เห็นอาการของใจที่มันบ่นวุย่ยวายอย่างนั้นพอเห็นปุ๊บนี่มันก็มันก็หยุดเลยนะพอมันรู้ตัว มันก็หยุดบนนะหยุดโวยวายเพราะว่าที่บนที่โวยวายนั้นเนื่องจากไม่รู้ตัวอสตินี้มันช่วยให้เราเนี่ยส่งใจให้เป็นปกติได้ไกายหนาวก็หนาวไปนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติไม่ใช่เพราะว่าเราสั่งมันได้อย่างที่บอกไว้าเร า, เราสั่งไม่ได้แต่ว่าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยขึ้นมาเพื่อทำให้ มันหยุดปรุงแต่งได้เหตุปัจจัยอันหนึ่งก็คือสตินั่นเองแล้วคนเรานี่มักจะซ้ําเติมตัวเองนะด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยความไม่รู้ตัวเวลาป่วยนะก็ไม่ได้ป่วยแต่กายก็ปล่อยให้หรือว่าผ่านปรุงแต่งจนจิตป่วยตามไปด้วย เอวคนส่วนใหญ่นี่เวลาป่วยก็ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจป่วยกายนี่เป็นเพราะเชื้อโรคอาจจะเป็นเพราะอากาศอาจจะเป็นเพราะอาหารหรือสารพิษที่มากับอาหารแต่ว่าป่วยใจนี่นมันไม่ได้เกิดจากอะไรนีเกิดจากความหลงเกิดจาก จิงจิตที่วังเอาไว้ผิดหรือจะพูดง่ายๆว่าเกิดจากตัวเราก็ได้นะอันนี้พูดแบบง่ายๆรวมๆป่วยกายเกิดจากภายนอกป่วยใจเกิดจากตัวเราเองเกิดจากจิตที่ไม่รู้ตัวหลงถ้าคนฉลาดนี่ก็จะป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยด้วยพระเจ้าตรัสว่านี่ว่าเมื่อป่วยกายก็อย่าให้ใจป่วยด้วย เมื่อกายถูกโกรคกลุมเราก็อย่าให้ใจถูกโกรคกลุมเราด้วยผู้งานคืป่วยอย่างเดียวไม่ป่วยสองอย่างใหป่วยใจเพราะความคิดปรุงแต่งจิตที่ผลักไสความกลัวความวิตกกังวลมาเป็นมะเร็งเพียงแค่ระยะแรกก็อาจจะหมดสภาพไม่มีเรื่อไม่มีแรงหมดอะไรตายอย่างในชีวิต อยากตายอยากฆ่าตัวตายอันนั้นไม่ใช่เพราะมะเร็งแล้วอันนั้นเป็นเพราะจิตที่ปรุงแต่งเพราะความกลัวเพราความกังวลมันถ้ามามีสติรู้ทันไอ้ความปรุงแต่งนั้นมันก็หยุดมันก็วางจิตเป็นปกติแม้ว่ากายยังป่วยอยู่พอจิตปกติแล้วก็ช่วยทําให้กายนี้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าจิตย่ำแย่แล้ว กายก็ปล่อยย่ำแย่ไปด้วยให้ลองดูนะความทุกข์คนเราวเวลาเจอปัญหาเนี่ยบ่อยครั้งเราซ้ําเติมตัวเองด้วยการปรุงแต่งสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจปัญหาข้างนอกบางทีมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ว่าไอ้ความทุกข์พราะจิตปรุงแต่งนี่แหละที่มันเล่นงานเรา จนย่ำแย่ไปเลยมีคนหนึ่งเขารลให้ฟังทำนองปรึกษาว่าตื่นขึ้นมาทุกเช้าหน้าบ้านเขาเนี่ยมันก็จะมีถุงขยะหรือว่ามีขยะใส่ไว้ในถุงเนี่ยมากองอยู่หน้าบ้านเป็นอย่างนี้ทุกวันดันนะนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมาคนในบ้านก็ต้องสลับปรับ ผลัดเปลี่ยนกันเอาขยะที่ไม่รู้ใครมาวางไว้ไปทิ้งถังขย ะ, ะเขาเขาเล่าด้วยความรู้สึกโมโหไม่พอใจแล้วก็ตัดพ้ออีกด้วยว่าเนี่ยทำไมบ้านเขาก็อยู่ในสีในธรรมกันทุกคนไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงมามีปัญหานี้ดูท่าทางมีความขุ่ม อ, อกลุ่มใจมาก การที่มีคนไม่รู้ใครเอาขยะมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านเขาก็บอกเข้าไปว่าเนี่ยมันไอ้คนทงยตัวเนี่ยมันมีทุกที่นะแต่จะว่าไปแล้วปัญหาของเขาเนี่ยมันก็ยังเล็กน้อยกว่าปัญหาของหลายคนที่อยู่ในกรุงเทพนะหลายคนเจอปัญหาหนักกว่า น, นี้นี่เพียงแค่มีขยะมาวางเอาอยู่หน้าบ้าน ก็มันวางไว้หน้าบ้านเราก็พยายามป้องกันเช่นเปิดไฟไว้หน้าบ้านให้มันสว่างๆแต่ทําแล้วไม่สาเร็จก็ยังมีคนแอบมาวางเอาขยะมาวางเราก็ไม่ต้องทาอะไรมากไปกว่าการเอาขยะไปทิ้งก็เตือนเขาว่าเนี่ยเวลาเอาขยะไปทิ้งลงในทังเนี่ยก็อะเผลอปล่อยใจ เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาสุมกองในใจด้วยคนที่เรานี่ตัวเขาเอาขยะไปทิ้งในถังก็จริงแต่ว่าใจเนี่ยกลับช่วยเอาขยะเหล่านั้นมากองไว้ในใจเอาขยะทิ้งแต่ตัวนะแต่ว่าใจนี่ไปหยิบมาใส่ไว้ในใจก็เลยเป็นทุกข์นะตัดพพอไม่พอใจเราก็รู้สึก เป็นทุกข์เหลือเกินกลุ้มอกกลุ้มใจมากกับปัญหาเพียงเท่านี้ปัญหาไม่ได้ใหญ่แต่ใจที่เผลอสตินะไปเอาขยะมาสมกองไว้ในใจมันก็เลยเป็นทุกข์นะมีปัญหาก็แก้ไปนะแต่ว่าใจอย่าเป็นทุกข์อย่าไปแบกมันเอาไว้คนเรามักเผลอนะบางทีขนขยะไปทิ้งผลไปก็ด่าไปผลไปก็บ่นไป นี่เรียกว่าตัวเอาขยะไปทิ้งแต่ใจนี่กลับเก็บมาไว้สุมในใจมัไม่ฉลาดเลยนะทิ้งมันให้หมดนะตัวก็เอามันไปทิ้งใจก็อย่าไปหยิบมันมาใส่ไว้กองไว้ในใจกลายเป็นขยะอารมณ์เรื่องก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พอใจวางไว้ผิดนี่มันก็ทุกข์มากถึงกับตัดเพ้อว่าทาไมทาพวกเราทำความดีมา ทำไมถึงต้องมาเจอแบบนี้อนี้มันยังเล็กน้อยนะบางคนนี่เจอหนักกว่านี้เยอะนะเจอโคนมาปล้นมาขโมยนะหรือว่าไฟไหม้อย่างเงี้ยมีอีกลายหนึ่งก็ก็มาปรึกษาว่าทำงานทำยังไงดีที่ทำงานมันมีคนเห็นแก่ตัวนะงานการก็ไม่ทำ โยนพาล่ายกับคนอื่นขณะเดียวกันก็มีบางคนที่ทําแต่งานของตัวเองไม่สนใจคนอื่นที่จะรับงานและไปทําต่อไม่แคร์คนอื่นเลยทําแต่งานของตัวเองก็ก็ให้ข้อคิดกับข้าไปว่าคนเหล่านี้บางทีเขาก็นึกถึงแต่ตัวเองไม่ค่อยได้นึกถึงส่วนรวมเท่าไหร่ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนี่ทำให้เขาสนใจแต่งงานของกูแต่ถ้าเขาพยายามขยายความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของให้มันคลุมไปถึงส่วนรวมถึงหน่วยงานว่าความสําเร็จของหน่วยงานก็เป็นความสําเร็จของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนึกถึงใจคนอื่นบ้างที่เขาทางานต่อจากเราเอางานของเราไปทํา ถ้าความรู้สึกของเรามันขยายกว้างไม่ใช่จำกัดเฉพาะงานที่ตัวเองทำแต่รวมถึงงานของคนอื่นที่เขาอยู่ในหน่วยงานของเราก็จะมีความใส่ใจมากขึ้นก็ควรจะแนะนำเขาไปอย่างนั้นนะแต่ขณะเดียวกันก็อาตมาก็พูดเตือนใจคนที่ถามปัญหานี้มาด้วยนะ ว, ว่าคือเขาบอกว่าเนี่ย ทุกข์มากเลยอยู่ยที่ทำงานนะไม่อยากจะเสียเวลาไปกับชีวิตแบบนี้อีกแล้วยอยากจะไปไปฏิบัติธรรมจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับปัญหาเหล่านี้ก็เตือนใจเข้าไปว่าปัญหานี้มันมีอยู่ทุกที่นะไม่ใช่มีอยู่แต่เฉพาะที่ทำงานในวัดก็มีปัญหา มันอยู่ที่ว่าเราจะวางใจอย่างไรเพราะจริงๆแล้วร่างเงาของความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่จัดการที่ใจของเราไปมัวเพ่งโทษคนอื่นแม้ว่าออกจากงานไปมาปฏิบัติธรรมก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะร่างเงาอยู่ที่ใจที่วางไว้ผิดคือใจที่ส่งจิตออกนอกโทษคนนั้นโทษคนนี้จะเลื่อนกลับมาดูใจของตัวเองว่าทําไมต้องไปทุกข์กับ ทำไมต้องไปทุกข์เพราะเทำไมต้องไปงดหงิดเพราะเขาหรือว่าทำไมต้องเอาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตบางทีปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่โตนะีแต่พอใจเนี่ยไม่ชอบใจนี่ตติเสธผักใสมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญมาเท่ากับการวางใจของเราถ้าเรา ไม่รู้จักวางใจให้ถูกหรือว่าปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาคือผักไซสไม่ชอบบนว้อยวายตีโพยตีพายแบกปัญหาเหมือนกับแบกโลกทั้งโลกเอาไวนะ้เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้กิดไม่ได้นอนไม่หลับนะนั่นจะไปอย่าไปเพ่งโทษแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา หรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราต้องกลับมาดูใจของตัวเองด้วยมีสติรูร้ทันใจที่ปรุงแต่งหลายคนก็บ่นนะว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองมันจะสงบทันทีทําไมมันวุ่นวายแบบนี้แต่คนเหล่านั้นเขามาักไม่ถามตัวเองว่าแล้วทาไมใจเราถึงหมุดหงิดไม่ยอมเลิกสักทีทําไมใจเราถึงเป็นทุกข์เนี่ไม่ยอมหยุดสักทีไปเรียกร้องแต่ให้บ้านเมืองมาสงบ แต่ว่าไม่ยอมหันมาเรียกร้องจัดการกับจิตใจของตัวเองให้มันสงบให้มันหายหงุดหงิดหายเครียดหายวุ่นวายระหว่างการจัดการให้บ้านเมืองสงบกับการทําให้ใจสงบนี่อะไรมันง่ายกว่ากันแต่คนก็ไม่ค่อยได้หันมามองตรงนี้นะได้แต่บน่นโวยวายว่าเมื่ อ, อไร่มันจะสงบตัง้งแต่ทำไมมันวุ่นวายแบบนี้อ่าแล้วทาไมเราปล่อยใจให้เรา วุ่นวายเสียเองล่ะนะกลับมาดูใจของตัวเองนะเพียงแค่ดูใจแค่นี้แหละนะไม่ให้มันปูงแต่งก็มันก็หยุดวุ่นวายไปได้เยอะเหมือนกันบ้านเมืองวุ่นวายแต่ใจสงบนี่ทําได้นะแต่หลายคนนี่ถึงแม้บ้านเมืองสงบแต่จิตใจวุ่นวายนะอันนี้ก็เราจะไม่เคยสังเกตนะตอนที่บ้านเมืองมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ แต่หลายคนก็วุ่นวายหงุดหงิดมันไม่ใช่เป็นเพราะบ้านเมืองหรือสิ่งภายนอกหรอกต่เป็นเพราะใจตัวเองมากกว่าคนเราทุกเพราะความคิดนะคนเราทุกเพราะความปรุงแต่งมากบางทีไอ้ความคิดปรุงแต่งนี่มันก็พอคิดปิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นปมสะสมขึ้นมาจนกลายเป็นแผลเลื้อลัง มันกลายเป็นปมที่ฝังลึกนะจนแก้ได้ยากแล้วก็ทิมแทงหรือว่าสร้างบาดแผลในใจจนกลายเป็นแผลลึกแล้วก็เรื้อรังมีมีผู้หญิงคนหนึ่งแกไปปฏิบัติธรรมของสำนักสองอาจารย์กรรมฐานชื่อดังชาวอเมริกันคนหนึ่งอาจารย์คนนี้ชื่อแจ็คคอนฟิลล์แกเคยมามาบวชที่ นักพรสิธธรรมราชอยู่ส่วนโมกพักเหนือเลือไปอยู่กับหลวงพ่อชาตอนยังหนุ่มตอนหลังก็กลับไปอเมริกาแล้วก็กลายเป็นอาจารย์กรรมฐานปัจจุบันมีชื่อมากเป็นอาจารย์กรรมฐานตน้นต้นของอเมริกาเขียนหนังสือหลายเล่มมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปฏิบัติธรมในสำนักของเขาเชื่อพอลล่าหน้าตานี่อมทุกข์มาก มีทั้งความเศร้าเสียใจแล้วก็ความโกรธสาเหตุก็เพราะว่าสามีเพิ่งทิ้งสามีทิ้งเธอกับลูกอายุแค่6 7เขวบเนี่ยเอาไว้เธอก็เสียใจแล้วก็โกรธนะแต่ว่าในส่วนเรื่องของจิตใจมันมีความรู้สึกที่ตําหนิตัวเองว่าเป็นเพราะเธอเป็นคนที่ไม่น่ารัก นะไม่มีใครอยากจะคบกับเธอไปได้ตลอดหรอกสมควรแล้วที่เธอจะถูกทิ้ง ม, มีความความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นมาในใจพร่ำบนนะ่นตำหนิตัวเองพอเธอมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติที่สำนักนี้นะก็ค่อยๆดีขึ้นนะแต่ว่าไอ้ความเสียใจความโกรธ ตัวนัทั้งความกลัวที่จะไปมีไปสร้างสัมพันธ์กับใครที่ใกล้ชิดก็รบ ก, กวนอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่ารักเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบด้วยมันมีเสียงที่ตำหนิเสียงที่โทษตัวเองมารบ ก, กวนอยู่เป็นระยะระยะแม้ปฏิบัติแล้วมันก็ยังเวียนมาหาอยู่ ก็ไปก็เลยไปปรึกษาอาจารย์จักคอนฟิลนี่แหละอาจารย์ก็ถามว่าไอ้ความคิดที่ตำหนิตัวเองแบบนี้เนี่ยมีมานานนีนอยังเธอก็ตอบว่านานทีเดียวนะหรือว่าคนชีวิตเลยก็ได้แล้วเธอก็เล่าว่าเนี่ยตอนอายุสามขวบเนี่ยพ่อทิ้งเธอให้อยู่กับแม่ แล้วเธอก็รู้สึกตลอดเวลาว่าเธอต้องทําอะไรไม่ดีแน่นอนเลยพ่อถึงทิ้งเธอไปก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเี้เป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่น่ารักแม้แต่พอ่อยังทิ้งเลยอืมันเป็นปมที่ฝังลึกนะตั้งแต่อายุสามขวบทีเดียวเพราะพอ่อทิ้งแจง็คกอนฟิก็ให้ปฏิบัติไปอยู่สักพักหนึ่งก็เป็นอาทิตย์นนะ หลายอาทิตย์ทีเดียวจนกระทั่งเขาก็รู้สึกว่าสติมันดีขึ้นแล้วแล้ววันหนึ่งจักรพรรดเฟียก็แนะนําให้เธอเนี่ยย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในอดีตแต่ก่อนเธอไม่ย้อนไม่กล้า ย, ย้อนกลับไปนะโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่ออยุสาขวบตอนที่ถูกพ่อทิง้งเพราะนึกถึงที่ไรมันเจ็บปวดทุกทีแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มมีสติดีขึ้นแล้วเริ่มวางใจเป็นกลางกับเหตุการณ์ กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อาจารย์กังติวก็แนะนำให้เธอหลับตาแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตก็คื อ, คอตอนที่อายุ3ามขวบแล้วเธอก็นึกไปนะเห็นตัวเองเนี่ยแต่งชุดนะแต่งชุดนอนอยู่บนบนันไดชั้น2 อ, อยู่บนบนับนไดชั้นบนสุดเลยชั้นสอง ข้างล่างนี้พ่อแม่กลำลังทะเลาะ ก, กันนะความจําที่มันกลับมาเด่นชัดมากเลยนะได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันอย่างรุนแรงเสร็จแล้วก็เห็นพ่อเนี่ยถือกระเป๋าเดินไปที่ประตูพ่อนี่ไม่มองไม่หัน ม, มองหน้าเธอเลยนะไม่เงยมามองเธอเลยทั้งที่รู้ว่าเธออยู่ข้างบนนะพ่อถือกระเป๋าเดินไปที่กระปูเดินที่ไปที่ประตูแล้วก็ ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยพอเห็นภาพนี้เธอก็เศร้านี่ก็มันก็มีเสียงพูดออกมาว่าเนี่ยพ่อไม่รักฉันเลยเนะพ่อไม่คิดแม้แต่จะมามองเงยหน้ามองฉันฉันนี่ต้องทําอะไรไม่ดีแน่ๆพ่อถึงจิ้มฉันไปเธอก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาด้วยความเสียใจให้ความรู้สึกอกกาลนี่มันผดขึ้นมา มังมานานแต่มันไม่เคยหายไปจากก่อนฟือก็ก็แนะนําให้เธอมาดูความรู้สึก ข, ของตัวแล้วก็บอกให้เธอลองลองมองลองเปลี่ยนบทลองเปลี่ยนไปเป็นพ่อดูไนะหนเธอลองไปเป็นพ่อใช่รู้สึกยังไงรู้สึกเครียดนะรู้สึกปวดร้าวเหมือนกับร่างกายมันจะระเบิดออกมา ความคิดตอนนั้นมันกลับเข้าไปไปรู้สึกถึงความคิดของพ่อความรู้สึกของพ่อเครียดกลุ้มใจกลุมใจเพราหละไกลุ้มใจเพราะชีวิตนี้มันล้มเหลวชีวิตครอบครัวก็แย่ทํางานการก็ไม่ประสบความสําเร็จฉันทนไม่ไหวแล้วฉันแย่ฉันไม่อยากใจฉันอยู่ไม่ไหวกับชีวิตแบบนี้เธอเริ่มอินเข้าไปนะในความรู้สึกของพ่อแล้ว จค้คอนฟิวก็เลยถามว่านั้นทําไมแล้วคุณไม่นึกถึงลูกเลยทําไมคุณไม่คุณรู้ไหมว่าลูกเนี่ยยืนอยู่ข้างบนทําไมคุณถึงไม่เงยหน้ามองลูกเลยตั้งคําถามกลับไปพอล่าตอนนั้นในใจเ้าเนี่ยเขาค้านึกถึงความรู้สึกของพ่อขึ้นมาแล้วก็ตอบมาเลยว่าผม จิงๆฝรั่งภาษาฝรั่งมันใช้ว่าไอ น, นะมันไม่มีว่าปวดทุบหรือชันหรอกฉันมองเงยหน้ามองมองลูกไม่ได้เพราะว่าฉันรักเธอมากนะถ้าฉันเห็นหน้าเธอแล้วนี่ฉันคงจะออกจากบ้านไปไม่ได้แน่ๆแต่ฉันต้องไปแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วพอพูดเสร็จพลล่อนี่ก็ร้องไห้เลยนะร้องไห้คนนี้เพราะร้องเพราะสงสารพอ่อ เป็นครั้งแรกที่เธอเข้าใจว่าทําไมพ่อถึงไม่หันมามองหน้าเธอไม่ใช่พ่อไม่รักไม่ใช่เพราะพ่อไม่รักเธอนะยที่จริงเพราะพ่อรักเธอมากนะแต่มองไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นก็คงจะเดินออกจากบ้านไปไม่ได้ที่จริงพ่ออาจจะหนีไปเพียงแค่ชั่วคราวนะแต่ว่าเพลินตายซะก่อนก็เลยไม่ได้กลับมาบ้านตอนนั้นเองที่พอลล่าเนี่ยเขา เข้าใจเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พราะเขาทำอะไรผิดไม่ใช่เพราะขอเป็นคนไม่น่ารักแต่เป็นเพราะว่าพ่อนี่รักเธอมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำใจได้ถ้าเห็นหน้าเธอแล้วเนี่ยคงเดินออกจากบ้านไปไม่ได้พอเห็นแบบนี้นี่มันเข้าใจพ่อเลยนะแล้วก็รักพ่อขึ้นมาแล้วก็รักตัวเองด้วย ว่าพอเคยรู้สึกเกลียดตัวเองให้ความรู้สึกเกลียดตัวมันหายไปเลยอาเป็นครั้งแรกที่เข้าใจความรู้สึกของพ่อเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนที่มันมีปมมาตั้งแต่อายุสามขวบเนี่ยป็นปมที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของตัวเองว่าพ่อไม่รักพ่อไม่รับและมันก็ทำให้เกิดความ รู้สึกย่าแย่กับตัวเองแล้วก็เศร้าเสียใจรุนทั้งความโกรธพ่อด้วยและอารมณ์เหล่านี้มันก็รุนแรงมาจงกจนกระทั่งเวลาเธอนึกกลับไปนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันจะโกรธมันจะโมโหมันจะเศร้าเสียใจแต่ว่าพอเธอเริ่มใช้สติมาดูมันเพล้มตั้งสติแล้วก็ดูกลับไปย้อนดูเหตุการณ์ความเศร้ามันก็มีนะ แต่ว่าพอรู้จิตมันรู้ทันความซศอมก็สามารถที่จะมองทะลุผ่านความซศอมาขึ้นไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้จักใยตรองเหตุการณ์นั้นไม่ใช่โดยอารมณ์นะแต่ด้วยสติแล้วก็ได้เห็นอีกแง่มุมของเหตุการณ์นั้นเห็นอีกแง่หนึ่งของความรู้สึกของพ่อก็คือว่าพ่อนี่รักเธอ ถ้าไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มาย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยสตินี่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นแบบนี้ได้เลยนะพอเห็นปุ๊บนี้ปมที่มันสังสมมาเป็นสิบสิบปีนี่มันรุดไปเลยนะไม่เกลียดตัวเองต่อไปลวรู้สึกมีความมั่นใจในการที่จะคบคนอื่นเพราะว่าก็รว่าตัวเองก็เป็นคนที่ ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเป็นลูกที่พ่อก็รักแล้วก็สามารถที่จะเป็นเป็นเพื่อหรือเป็นภรรยาที่ดีได้นั่นเธอก็ได้เห็นเลยวนะว่าที่ถูกมาตลอดเนี่ยเพราะว่าความคิดปรุงแต่งไปด่วนตัดสินว่าพ่อไม่รักพ่อไม่รักถ้าคนเราจำนวนไม่น้อยก็จะเป็นก็เป็นอย่างนี้นะเวลาถูกเวลาสามีทิ้งหรือว่าเวลาถูกคู่รักทิ้งก็จะโทษตัวเอง ว่าเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่น่าคบและบางทีมันอาจจะมีปมมาตั้งแต่เล็กไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่รู้ทันความคิดของตัวเองเนี่ยไอ้ความคิดนี้แหละมันก็จะทําลายตัวเราบางทีถึงกับทําให้อยากจะตายไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปทําไมไม่มีใครรักเราเลยสักคน มีอะไรคนก็พูดแบบนี้นะทําไมฉันทําความดีมาตลอดแต่ทําไมไม่มีใครจริงใจกับฉันเลยมีแต่คนที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปฉันทําอะไรฉันไม่ดีตรงไหนเนีคนที่คิดแบบนี้บางทีก็ไม่เพียงแต่เจ็บป่วยง่ายนะแต่ว่าอาจจะถึงกับไม่อยากอยู่ในโลกนี้ตายดีกว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งของตัวเองแท้ๆนะที่สร้าง จินตนาการขึ้นมาแล้วก็ทําร้ายตัวเองอนั้นบางครั้งเนี่เราจําเป็นในที่ต้องกลับมารู้เท่าทันปมเหล่านี้ให้ได้บางทีมันฝังลึกมากจนกทั้งไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตเราไปในทางที่ตกต่ําย่าแย่ทุกครั้งที่เวลาทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ใจนะขอให้ตรหนักว่า มันเป็นเพราะจิตที่ปรุงแต่งเป็นสาเหตุสำคัญด้วยข้างนอกคนอื่นก็ตามสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ตามนี้เป็นแค่ปัจจัยรองปัจจัยหลักก็คือใจที่วางไว้ผิดแม้กระทั่งเสียงดังนเสียงดังเสียงโทรศัพท์ที่ดังในศาลานี้หรือว่าเสียงรถยนโโต์มอเตอร์ไซค์ที่แล่นผ่านถอใจ หลายคนได้ยินแล้วก็ทุกข์นะไม่พอใจแล้วก็เพ่งโทษไปที่เสียงเหล่านั้นแต่ที่จริงมันเป็นเพราะใจของตัวเองต่างหากเสียงไม่ทำให้ทุกข์นะแต่ว่าใจที่ไม่ชอบใจที่ผลักใสต่างหากที่ทำให้ทุกข์ถ้าเป็นเสียงอื่นนะความดังอย่างเดียวกันเดซิเบลเท่ากันแต่เป็นเสียงอื่นเราอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเราชอบ อนุาลไปไปพุทธคยามาเมื่อสองสามเดือนก่อนพุทธคยานี่คนเยอะมากเป็นพันๆเลยคนทยอยเข้ามาตลอดเวลาเฉพาะรอบเจดีพุทธคยาหรือว่ามหาโพธิวิหารหรือมหาโพธิเจดีมีหลายชื่อนะก็มีคนเป็นร้อยๆนะเรียกว่าหลายชาติหลายภาษา แล้วความสุบอย่างหนึง่งบรรยากาศอย่างหนึ่งที่มันเกิดคือเสียงดังไม่ใช่แค่พลุกพังเดียเสียงดังด้วยบางกลุ่มก็สวดมนต์บางกลุ่มก็มีการสาธยายธทมเสียงดังมืนกับตลาดเลยนะบางทีตลาดเสียงอาจจะเบากว่ารอบๆพุทธกุยาก็ได้แต่ว่าน่าสังเกตนะีก็คือหลายคนที่อยู่รอบเจดีย์เนี่ยนั่งสงบ ทำสมาธิสมเหตุกบว่าไม่ได้ยินเสียงนั้นหรือเสมือนกับว่าไม่มีเสียงรบ ก, กวนเลยทำไมเสียงดังแต่ว่าผู้คนกลับนั่งสมาธิอย่างสงบเหตุผลก็ว่าคนเหล่านั้นเขาไม่รู้สึกรบ ก, กับเสียงนั้นเพราะว่ารู้ว่าเป็นเสียงสดมลรู้ว่าเป็นเสียงสาธยายธรรมแม้เสียงมันจะดังแต่พอรู้สึกว่านั่นคือเสียงแห่งศรัทธา เสียงแห่งความเสียงแห่งธรรมฟังไม่รู้เรื่องก็จริงเสียงดังก็จริงแต่ว่าพอใจไม่รู้สึกลบ ก, กับเสียงนั้นใจก็สงบได้แต่ถ้าลองไปนั่งอยู่กลางตลาดนะบางทีเสียงอาจจะดังน้อยกว่าก็ได้แต่ว่าผู้คนก็คงจะทำใจสงบไม่ได้ไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้เพออราะรเพราะใจมันไม่ชอบเสียงเหล่านั้นใจรู้สึกลบ ก, กับเสียงเหล่านั้น ใจปฏิเสธนั่นจะเห็นได้ว่าความสงบหรือความไม่สงบของใจเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าเป็นเสียงอะไรนะแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับเสียงนั้นอย่างไรถ้าเราสื่อว่าเสียงนั้นเป็นเสียงถ้ารู้สึกเรารู้สึกในทางบวกต่อเสียงนั้นใจเราก็สงบได้ไม่ยากแต่ถ้าใจเราสืกอเป็นลบ ก, กับเสียงนั้นไม่ชอบผลักไสต่อต้านความวุ่นวายความหงุดหงิดหรือว่าความโกรธก็ บรบกวนจิตใจเราขึ้นมาทันทีถึงบอกว่าเสียงไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าใจของเราตังหาใจที่วางไว้ผิดตังหาที่เป็นปัญหานั้นถ้าเราปรับใจให้เป็นกลางหรือว่าให้รู้สึกบวกต่อเสียงต่างๆเสียงนั้นก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปเวลาเราทำงานก็ดีเวลาเราเจอคนก็ดีแต่เราสึกทุกข์ขึ้นมา เป็นเพราะใจของเราปรุงแต่งไปทางที่เป็นลบต่างหามันถึงกลายเป็นปัญหาหรือปัญหาเล็กาก็กลายเป็นปัญหาใหญ่จนกินไม่ได้นอนไม่หลับปรับที่ใจซะมันก็ลดปัญหาล ด, ลดความทุกข์ไปได้เยอะเสียงดังนี่บางครั้งเราหลีกเสียงไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถจะหลีกเสียงในใจได้จะไปคิดจะจะหลีกเสียงข้างนอก เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถสิบล้อนี่มันเราไปหลีให้มันเบาไม่ได้หรอกแต่ว่าเราหลี่เสียงในใจได้ให้มันให้มันเบาลงเบาลงจนกระทั่งไม่มีเสียงรบ ก, กวนเลยได้มาอะไรที่ง่ายกว่า น, นะระหว่างหลีเสียงภายนอกไปหลี่เสียงในใจแล้วเราจะหลีเสียงในใจได้เพราะาเราฝึกจิตฝึกใจนะจนมีสติรู้ทันยังกลับมาที่ใจของตัวเองเวลามีความทุกข์ กลับมาสำรวจดูว่าเป็นเพราะวางใจไว้ผิดไม่มีสติปรุงแต่งไปในทางลบหรือเปล่านะถ้าเรากลับมาดูแลจิตใจร้อยดีไอ้ความทุกข์ทั้งหลายนะที่บรบกวนจิตใจมันก็จะบรรเทาเบา บ, าบางลงไปอันนี้รว ถ, ถึงความแก่ความเจ็บความป่วยความตายด้วย เป็นเพราะเรามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องกับมันเป็นเพราะเรามีความยึดติดถือมัน่นเป็นเพราะเรากลัวนะมันถึงกลายเป็นปัญหาแต่ถ้าเราวางใจไว้ถูกวางใจเป็นกลางหรือว่าเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิต เ, เหตุการณ์เล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้อาจจะทำให้กายย่าแย่เกิดทุกขเวทนาต่ไม่ทำให้ใจนี่เป็นทุบได้ เอาละชาตนี่ก็เพิ่กับต้นนี้กลับค่ะ